วันนี้เป็นวันพระเดือนสิบคืนสิบห้าค่าแห่งสุกกปักเป็นวันที่ชุมนุมของพุทธบริษัททั้งสี่เหล่าทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาสำหรับผู้ใฝ่ในธรรม การประชุมเช่นนี้เรียกว่าเป็นการประชุมเพื่อสนทนาธรรมหนึ่งเพื่อฟังธรรมหนึ่ง <c oughs> เพื่อฝึกผนอบรมจิตใจให้สงบระ ง, งับให้เกิดความรู้ความฉลาดในธรรมคำสอนของพพุทธเจ้าด้วยว่า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 วัยขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาอา้าวก็เมารักเมาใครเพิดเพลินในกามคุณไม่ค่อยได้สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องหนทางพ้นทุกข์อะไรอันนี้ถูกความรักความใคร่มันดึงดูดเอาจิตใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว มีแต่พุ่งไปหาสิ่งที่ตนรักตนชอบใจ <c oughs> อา้าวเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วเอามาประครบประ ง, งมกันมาดูแลรักษากันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากเรียว <c oughs> ว่าเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้ะ ต้องขวามขวายหาปัจจัยเครื่องอาศัยมาบำรงบำเรอกัน <c oughs> ก็มาเมาในการแสวงหาปัจจัยทั้งสี่มีอาหารเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยกันอยู่อย่างนั้นนี่พูดถึงว่าสำหรับผู้เมาไอผู้ตื่นอยู่ก็มีอยู่แต่ว่าดูมันจะมีจำนวน น, น้อยสำหรับผู้เมานี่ยแหละเป็นศูวนมากเลยทีเดียว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 ไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้นะก็แสดงว่าความสุขที่มีมาแล้วนั่นมันมันบกคร้องไปนะมันยังไม่เพียงพอเลยเพราะ <ส ries. S 1> ฉะนั้นแหละคนเรามังกี จ, จึงต้องแสวงหาความสุขผู้ใดคิดเห็นทางไหนว่าเป็นผลทางแห่งความสุขก็เอากันแหละขวนขวายกันผู้ใดเห็นว่า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 ให้คนทั้งหลายได้รู้อย่างนี้แหละมันก็แสวงกันไปอย่างนี้แหละการที่แสว ง, งนั้นล้วนแต่ต้องการความสุขทั้งนั้นเลย <c oughs> แต่แล้วมันก็ได้หรอกความสุขแต่มันได้ความสุขชั่วคราวอย่างนี้แหละดังนั้นผู้มีอุปนิสัยวาสนามาแต่ก่อนแล้วเมื่อมันเมาไปอย่างนั้น บุญวาสนามากระตุน้นใจทำให้หัวรละลึกได้มองเห็นความสุขที่ได้รับอยู่นั้นมีน้อยนิดเดียวหนึ่งแล้วความทุกข์นั้นมากมายกายกองผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็จึงต้องแสวงหาความสุขที่สูงไปกว่านี้อันเล <c oughs> ดังที่พุทธบริษัทได้มาบาเพ็ญบุญกุศลในวัดวาอาราม ผู้สมทานศีลห้าก็มีสมทานศีลวอวสตก็มีแล้วก็อยู่จำศีลวอสตในวัดวาอารามก็เพื่อสำรวมกายวาจาใจของตนให้สงบระงับจากอารมณ์ภายนอกให้มันมีตั้งแต่ความรู้สึกทราบซึ่งในบุญในกุศล ในคุณพัตนาไกลที่เราเคารพนับถือบูชาอยู่นี่นะเป็นอารมณ์อยู่เมื่อให้มันมีอารมณ์ภายนอกเข้ามาแทรกแซงอันนี้แหะท่านจึงเรียกว่าจำสินอุโบสถอุโบสถครานี้แปลว่าเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ก็หมายความว่าน้อมสติสมะทัญญะเข้ามาควบคุมจิตใจอยู่ภายใน ไม่ให้ใจมันหลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ภายนอกอันนี้คือคำว่ารักษาสินอโวโสถนะเพราะว่าสินอโวโสถตแปดข้อนั่นนะเมื่อเราพิจารณาดูแล้วล้วนแต่เป็นเครื่องทำใจให้สงบทั้งนั้นถ้าใครเข้าใจรักษาแล้วนะแต่คนผู้ที่ไม่ต้องการความสุขอันเกิดจากความสงบแล้วมันก็ไม่พอใจที่จะรักษา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 อ น, นี้นะเงินทองมีพอเล็ก ๆ, ๆน้อยๆจ่ายไปนู่นหนึ่งก็หมดอา่าววันนี้จะไปหาเอาด้วยน้ำพักน้ําแรงที่ไหนอย่างทุกวันนี้นะ่ยากแล้วอพราะไม่มีที่จะหาเลยที่ไหนก็เป็นแต่สวนแต่นาเป็นแต่บ้านแต่ช่องไปหมดเลยแต่ก่อนเป็นป่าเป็นดงมีเอต้นมากลากไม้มีผักมีอะไรเป็นป่าเป็นดงอยู่ ก็พอที่จะไปหาเก็บมาต้องมาแกงกินได้อยู่บ้างแต่ทุกวันนี้ไม่มีทางเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนมันก็ต้องพิจารณาให้เห็นท <c oughs> ี่นะ่าให้เห็นว่าการบริโภคอาหารพร่ำเพรื่ออย่างว่านี่มันเป็นทุกข์หลายพูดแล้วนะมันเป็นกังวลมากแล้วก็เป็นเหตุให้คนเราทำบาปทำกรรมต่างๆนั่นนะ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 นล้วก็ไม่ได้ทำบาปอะไรเพราะเรื่องอาหารแม้ทายกทายิก า, าวันไหนได้มาวัดรักษาออกโอบอศศิล์อย่างนีนะ้มันก็ตัดกังวลในเรื่องอาหารลงมากมายนอกจากตัดกังวลเรื่องอาหารลงไปแล้วมันก็ยังมีผลสะท้อนถึงจิตใจทําใจให้สงบเยือกเย็นไม่ไม่เป็นทาดแห่งความหิวความอยากเพราะว่าเมื่อได้ ตกลงใจว่าจะรักษาจะละเว้นแล้วอย่างนี้มันก็ต้องมีสติสำรวมใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อให้มันวิตกวิจารไปในเรื่องนั้นเ <c oughs> ช่นนี้แหะมันก็จึงเรียกว่าเป็นศีลอันบริสุทธิ์ได้เมื่อสำรวมได้อย่างว่านี้มันก็สบายทั้งร่างกายและทั้ง จ, จิต <c oughs> ใจแม้ศีลข้อที่เจ็ดนั้นก็เหมือนกันแหละ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 สำหรับผู้ที่ไม่ผัวพันไปด้วยลูปรถกินเสียงต่างๆอย่างว่านั่นนะแล้วสินข้อที่แปดนั้ น, นก็เหมือนกันเนี่ยบางคนก็คือว่าอยู่บ้านอยู่เรือนี่มันก็ต้องนอนผูกเบาะมอคหมอนนันอ่อนนุ่มนิ่มอันนีน้อันเป็นเหตุให้ติดอยู่ในการหลับการนอนคนเราเนี่เมื่อได้นอนอยู่ในที่อ่อนนุ่มนี้มันเข้าไปแล้วมันไม่อยากลุกแล้ว หลับแล้วหลับอีกอยู่อย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นวันนี้ถ้าหากว่าได้เวน้นจากที่นอนอย่างว่านั้นมานอนในที่เรียกว่าเป็นสถานที่เรียบๆอย่างนี้มันก็เรียกว่าไม่นุ่มนวลน ะ, ะเช่นนี้นอนหลับไปก็นอนนานไม่ได้มันเจ็บมันก็ต้องตื่นมันปลุกให้ตื่นแหละตื่นมาไหวพระนั่งสมาธิภาวนา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 เมื่อผู้ใดเข้าใจความหมายอย่างนี้แล้วการรักษาสินอวสถก็ย่อมมีผลมีอานิสงมากหมยเหลือที่จะคณ น, นาทีเดียวแหละพราะพุทเเจ้าทรงสรรเสริญไว้มากในไมาเดียวานิสงแห่งการรักษาอวสถศสินเนี่ยแล้วเขามาอย่างว่านักบวชอย่างนี้นะเป็นพระภิกษุสามเณรมูีก็มีน ะ, ะเรียก ว, ว่าได้รักษาเหมือนกันหมด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 มันต้องปลูกศรัทธาความเชื่อในศีลในข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ให้แรงกล้าไว้ในใจของตนจริงๆเนยเออมันก็จึงจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปได้แม้ทายกทายิกาก็เหมือนกันนะเมื่อวิจารณาดูให้ที่ทวนลงไปแล้วศรัทธาความเชื่อความเรื่องใสนวพินกำลังใหญ่อันสำคัญนะ ทำให้คนเราภาคเพียรพยายามกระทำคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องมีปัญญาคู่กันน่พูดแล้วเลยว่าศรัท ธ, ธากับปัญญานี่เนี่นะว่าเป็นคุณธรรมอันสำคัญส่วนสมาธินั้นน่มันก็บางคนก็ไม่สามารถที่จะทำสมาธิให้ละเอียดละ อ, อได้ เพียงจะมีสติประคองจิตของตนให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้แล้วอย่าให้ใจมันเอียงไปในทางอากุศลธรรมแล้วมันก็นว่าดําเนินไปได้แล้วเรียกว่าเจริญปัญญาไปได้แล้วก็สามารถล่ากิเลสได้เหมือนกันน ะ, ะเป็นอย่างนั้นบางคนก็ว่าภาวนาจิตใจไม่สงบเลยไม่ทราบจะทำอย่างไรอมีอยู่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 ก็พอที่จะรู้ได้แล้วว่าวาสนาบารมีของตนไม่ถึงไม่ถึงขั้นนั้นก็ไม่ต้องเดือด ร, ร้อนนะขอแต่ว่าอันจิตใจที่มันไม่สงบนั่นน่ะมันชอบคิดโน้นคิ ด, ดนี้นั้นขออย่าให้มันคิดไปในทางบาปนี่นะสำคัญนะไม่พากันเข้าใจเช่นคิดเรื่องการฆ่าการเบียดเบียน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 แบบนั้นนะมันไม่รู้เท่าความคิดตัวเองเมื่อตอนเองคิดอ่านการงานต่างๆก็เราก็ต้องมีปัญญาประกอบด้วยว่าเอาเราคิดลงไปแล้วแล้วก็ต้องทำเมื่อทำลงไปแล้วได้เท่าไหร่ก็เอาไม่มุ่งหวง100ังร้อยเปอร์เซนการงานต่างๆเนี่ยมันกระสุดแล้วแต่มันจะ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 เมื่อทําไปแล้วมันได้ผลมาไม่ไม่เต็มเม็เต็มหน่วยก็ช่ า, ชางเราก็หวนนึกถึงของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงเราจะทำใมันได้สมหวังมาจากไหนอย่างนี้เนะี่ยไม่ว่าคลือหัดไม่ว่านักบวช อ, อันความรู้ความเห็นความเข้าใจอย่างนี้นะ่ยมันมันต้องมีประจําใจทุกคนนะ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 มนโนทางเดินไปสู่ทุกข์โดยตรงเลยครัดังนั้นแหละการปฏิบัติธรรมนี่ก็คือยังเราพยายามพิจารณาดูวัฒนานาบุญของตัวเองนี่แหละก่อนอื่นน่ะก็เมื่อรู้ว่าวัฒนานาบุญของเรามันมีเพียงแค่นี้แหละอย่างนี้นะอ๋อสมมติว่าเราทําใจให้สงบลงได้เพียงแค่นี้และจะให้ยิ่งไปกว่านี้ก็ทําไม่ได้อย่างนี้นะ เอา้าเราก็พอใจอยู่นั้นก่อนไปก่อนอก็ให้รู้ว่าอินทรีย์เรายังไม่แก่กร้ามันก็ได้แค่นี้ก็เอาแต่ ว, ว่าเราก็พยายามรักษาจะให้มันถอยหลังมันได้เท่านั้นก็รักษ า, าความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ให้สม่ำเสมอไปก่อนอย่างนี้แหละ เ, เมื่อทำไปทำไปอินทรีย์เป็นแก่กล้าเข้าไปแล้วมันกค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยๆอค่อยก้าวขึ้นไป อย่างนี้แหละเช่นจิตสงบลงไปแต่ก่อนไม่ได้นานเลยพันทาไปไม่ท้อไม่ถอยเข้าอ้าวมันก็ว่าเกิดสงบไปได้นานกว่านั้นไปอย่างนี้แหละมันอยู่ที่ความเพียร น, นะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะก้าวไปได้นั้นเพราะความเพียรแท้ๆแต่ว่าความเพียรอันนี้มันก็ต้องไปกรอบไปด้วยสติปัญญาอีกด้วยเหมือนกันแหละอันเรื่องสติปัญญานี่ทิ้งไม่ได้เลยทำอะไรทุกอย่าง มันต้องมีสติปัญญานี่ประกอบไปด้วยเลยไม่เช่นนั้นแล้วการกระทามันอาจจะผิดพลาดไปก็ได้นี่อาจจะถูกก็ได้ไม่แน่นอนเลยแต่ถ้าเราใช้ปัญญาติดตามไปใช้สติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจให้รักษาความคิดความเห็นอันนั้นให้มันสม่ำเสมอไปเช่นนี้แล้วการงานต่างๆที่ทำไปนั่นทางผิดพลาดไม่มีน้อยเต็มทีละ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 งานที่ร่วมจิตร่วมใจร่วมไม้ร่วมมือกันทำนะั้นมันก็ไปไม่ตลอดเพราะว่ามันรวมหัวกันไม่ได้อย่างนี้แหละนี่ความที่ไม่ไม่ฝึกฝนจิตใจไม่ควบคุมจิตใจตัวเองให้เป็นปกติอยู่ในคุณธรรมอันดีงามอย่างว่านั้นน่ะใจที่มันไม่ตั้งมั่นต่อคุณงามความดีได้แล้วอย่างนี้ จะไปคิดอ่านทำการงานอะไรไปมันก็ไม่สำเร็จเรื่องมันนะ่ะเพราะว่ามันมันไม่ตั้งมั่นนี่มันหลอแเละเมื่อกระทบถูกกระทบกระทั่งอะไรต่ออะไรขึ้นมาแนละ้วเราก็ปริวไปเลยอย่างงี้นะแล้วมันจีสำเร็จไปได้ยังไงการงานต่างๆนะทางโลกก็เหมือนกันทางธรรมก็เหมือนกันนะในทางธรรมนี่เรามารักษาสี่งเร็ดไปได้ยังไงการงานต่างๆนะ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 เช่อยางว่าจะมุ่งจะทําใจให้สงบอย่างนี้นะก็เมื่อตอนเองปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปอยู่นั้นไม่ที่ไปทําความสงบได้อย่างไรอะ่ะเนี่ยนะขนเมื่อตนตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้นแล้วก็พยายามมีสติสัมปชัญญะสํารวมระวังใจไปทุกอิริยาบถอะไรอย่างนี้ประคับประคองกีตัวเองไว้อย่าให้มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปตา่ตางอย่างว่านั้นนะ เมื่อควบคุมจิตไว้ได้อยู่เนี่ยเวลาเข้าไปนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปจริงๆนะมันก็สามารถที่จะทําใจสงบลงได้เพราะใจไม่ได้ยึดเอาอารมณ์ภายนอกไว้มากมายครับออมันกําหนดละไปเรื่อยไปเรื่อยไปอย่างนี้นะ อ, อจิตใจหมายควาว่าว่างจากอารมณ์ต่างๆอยู่เลยคะดังนั้นเมื่อเราไปนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปมันก็ไม่ได้เอกด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 เมื่อเราตั้งสติเข้มแข็งเข้าไปแล้วความคิดอนะนั้นมันก็ระงับดับไปอืเรามีสติควบคุมความรู้สึกอะไ น, นั้นนะอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนั้นนะไม่ท้อไม่ถอยแล้ว ม, ม, มันไม่หวัมันไม่ฟังมันต้องสงบลงได้แน่นอนนะอที่มันสงบลงไม่ได้นั้นก็เพราะว่าใจไม่เข้มแข็งสติก็ไม่เข้มแข็ง ใจก็อ่อนแออย่างนี้นะพอเกิดทุกขเวทนาอะไรขึ้นมานะหนึ่งก็หวั่นไหวไปแล้วมันจะสงบได้อย่างไรอ่ะแบบนั้นนะอ่ะเพราะนั้นเมื่อเรานั่ง ส, สมาธิเข้าไปน้อมจิตเข้าไปแล้วมันจะเกิดสุ ข, ขเวทนาหรือทุกขเวทนาอย่างไรขึ้นมานี่เราก็ไม่หวั่นไหวเรามุ่งเพ่งความรู้สึกอันเดียวนั่นอยู่อย่างนั้น ไม่ให้มันปรุงแต่งความคิดความนึกต่างๆขึ้นมาพยายามประคองความรู้สึกอ น, นั้นไว้เสมอๆไปอย่างนี้แน่นอนและถ้าว่าสติมันประคองไว้อยู่นั้นมันมันจะคิดอะไรต่ออะไรไปไม่ได้เมื่อมันคิดไปไม่ได้แล้วมันก็มีแต่จมลงสู่ความสงบเท่านั้นนะจิตนี้น ะ, ะดิ่งลงไปสู่ความสงบเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วค่อยพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปดังแสดงมาขอยุดปิดลงเพียงเท่านี้